ตอนที่ส7ิบเจ็ดลูกชายรำแพนหางแล้วช่วงนี้สุนอวีมิ่ง น, นอนไม่ค่อยหลับดังนั้นจนกระทั่งล่วงเลยเข้าสู่ช่วงกลางดึกนางก็ยังไม่ข่มตานอนนางลุกขึ้นมาที่ห้องนั่งเล่นเพื่อรินน้ำดื่มพอก่อนจะนั่งลงก็ได้ยินเสียงลูกชายทาเพลงเบาๆพลางผักประตูเดินเข้ามาแม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับเฮิอนอนไม่หลับนะสุนอวีมิ่งทอดถอนใจเรื่องแต่งงานของลูกยังไม่มีวิ่แววใจแม่ยังไม่สงบแล้วจะหลับลงได้ยังไง แม่ครับไม่ต้องหัดปล่อยวางบ้างลูกหลานเขาก็มีวาสนาของเขาเองเกาชังเหอถอดรองเท้าวางพมกุญแจลงแล้วเดินมาที่โต๊ะน้ำชา ย, ยกแก้วน้ำขึ้นดื่มรวดเดียวจนหมดเจ้าเด็กเกาตึนั่นมีดวงนารีไม่ขาดสายแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพูดเลหลวไหลน้องชายแกเพิ่งจะยี่สบมีอะไรให้ฉันต้องห่วงกันซุนอวิมิงจ้องมองเกาชังเหอเห็นเขาเหงื่อท่วมหน้าจึงอดถามด้วยความห่งใยไม่ได้ทำไมเหงื่อซึมเต็มหัวแบบนี้เราไปปฏบิบัติภารกิจมาอีกแล้วเหรอ เกาชงเหินชงักไปครู่หนึ่งก่อนจะฉีกยิ้มกว้างจนเห็นฟันขาวเรียงสวยใช่ครับไปปฏิบัติภารกิจมาภารกิจที่สําคัญมากๆเลยล่ะพูดจบเขาก็ทำเพลงแล้วมุดหายเข้าไปในห้องของตัวเองเพลงที่แสนหวานเพลงที่แสนหวานบอยบินไปทั่วท้องนาภาซุนอวิมิ่นมองตามลูกชายคนโตที่มีท่าทีผิดปกติไปพลันตระหนักได้ว่าสถานการณ์เริ่มไม่ชอบมาพากล น, นั่งแอบกลับเข้าห้องไปจากนั้นก็ยกหูโทรศัพท์ต่อสายไปยังสถานีตํารวจ เวลานี้ที่สถานีตำรวจต้องมีตำรวจเวรอยู่แน่นอนขอแค่ถามจากปากพวกเขานางต้องรู้ร่องรอยอะไรบ้างแน่ๆสวัสดีครับที่นี่สถานีตำรวจส่วนท้องถิ่นคุณมีเสี่ยวหวังฉันเองป้าซุนของเธอไงซุนอวิมินกดเสียงต่ําเมื่อได้ยินว่าเป็นหวังเหรียนซานจอมพูดมากรับสายซุนอวิมินก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีจริงๆรงอ้าวคุณป้าครับทําไมโทรมาที่สถานีตำรวจดึกดื่นขนาดนี้ล่ะครับ เพราะมีสถานการณ์สำคัญมากนสิฉันจำเป็นต้องรายงานต่อสหายตำรวจคุณป้านี่ตลกจังลูกชายคุณป้าก็เป็นตำรวจไม่ใช่หรอครับรายงานกับเขาก็สิ้นเรื่องแล้วเสี่ยวหวังเรื่องที่ฉันจะรายงานก็คือเรื่องของผู้อำนวยการสถานีของพวกเธอนั่นและปัญหาของลูกชายฉันเองน้ำเสียงของสุนอวี๋หมิ่นเริ่มจริงจังขึ้นมาหวังเหรียญซานที่อยู่ปลายสายถึงกับอึ้งไปและเริ่มรู้สึกประมา่าคุณป้าครับคุณคุณต้องคิดให้ดีๆนะครับ ผู้อำนวยการเก่าของพวกเธอนกยุงรําแพนหางแล้วพอได้ยินประโยคนี้หวังเหลียญซานที่อยู่ปลายสายก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่ ง, งอกทันทีท้อตกใจหมดเลยที่แท้ก็เรื่องที่ผู้อํานวยการกตามจีบซูมานอินนี่เองซูมานอินสมองของสุนอวีหมิ่นพันสว่างวา่าใช่คนที่เคยออกโทรทัศน์ให้สัมภาษณ์ในฐานะครอบครัวพนักงานคนนั้นหรือเปล่าใช่ครับก็เธอนั่นแหละตอนนี้เธอเก่งมากเลยนะเปิดร้านอาหารเองด้วยอยู่ตรงหน้าโรง ง, งานเท่าผ้านี่เอง หวังเหรียญซานพูดออกมาหมดเปลือกเหมือนเทถัวออกจากกระบอกไม้ไผ่พอพูดจบถึงเพิ่งรู้ตัวว่าเหมือนจะติดกับเข้าให้แล้วคุณป้าครับคุณป้าไม่ได้หลอกถามผมใช่ไหมซุนอวิมิ่นถือหูโทรศัพท์พลางเผยรอยยิ้มแห่งชัยชนะเสียหวังเอย๋ยถ้าผู้อํานวยการของพวกเธอได้ครองคู่กันเมื่อไหร่เธอคือผู้มีความชอบอันดับหนึ่งเลยนะหลังจากวางสายสุนอวิมิ่นก็รู้สึกอยากจะนอนหลับให้เต็มอิ่มขึ้นมาทันทีพรุ่งนี้จะได้ไปที่ร้านอาหารแห่งนั้นเพื่อดูหน้าว่าที่ลูกสไปร์คนสวยเสียนหน่อย อีกด้านหนึ่งหวังเหรียนซานที่เมื่อครู่ยังสลืมสลือตอนนี้กลับรู้สึกปวดหัวแทบระเบิดเขายังเด็กเกินไปจริงๆดันเผือขายผู้อํานวยการไปแบบมุมงเสียได้เขาคงไม่ตําหนิฉันใช่ไหมนะพอนึกถึงใบหน้าบึ้งตึงของเกาฉางเหอสวยแล้วคราวนี้เขานอนไม่หลับแทนเสียเองวันรุ่งขึ้นเกาฉางเหอขับรถกระบะไปส่งซูม่านอินและฉินเสี่ยวเยเว่ที่ร้านอาหารผู้อํานวยการขัารถกระบะคันนี้เป็นของคุณเองเลยเหรอคะชินเสี่ยวเย่ ว, ว่ามด้วยความอยากรู้อยากอยากเห็น วันหลังจะมารับพวกเราไปกลับที่ทํางานทุกวันได้ไหมเนี่ยเก้าช้างเฮิรเหลือบมองกระจกหลังพรางยิ้มจนเห็นฟันขาวนั่นก็ต้องถามความเห็นของสหายม่านอินแล้วล่ะครับงั้นคุณแม่ม่านอินคะคุณมีความเห็นว่ายังไงบ้างละ่ะซูม่านอินหยิกฉินเสี่ยวเย่าไปทีหนึ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่เก้าช้างเหอไปส่งนางที่บ้านฉินเสี่ยวเย่าก็เริ่มมาเรื่องนี้มาล้อเลียนนางไม่หยุดฉินเสี่ยวเยาว่าถ้าเธอยังพูดเจริเอะ อ, อีกฉันจะตัดสินใจช่วยหาผัวใหม่ให้เธอเองนะ ชินเซียวเยเวรีบยอมจำนนทันทีฉันปิดปากแล้วค่ะเมื่อทั้งสามมาถึงร้านอาหารประตูร้านก็เปิดอยู่แล้วสุนยงเฉียงเห็นซูมานอินและฉินเสี่ยวเยเวลงมาจากรถของเกาชังเหอก็รีบส่งกุญแจจากรยานให้ทันทีน่าครับคืนกุญแจครับซูมานอินรับกุญแจมาเห็นในร้านถูกทําความสะอาดจนเอี่ยมอ่องก็รู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยทั้งหมดนี่เธอทําเองเหรอสุนยงเฉียงเกาหัว ผมแค่ทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับว่าแต่เช้านี้เราจะเปิดร้านกี่โมงหรือครับเช้านี้เรายังไม่เปิดร้านจ้าซูมานอิมพูดด้วยรอยยิ้มเพิ่งเปิดร้านใหม่ไม่จำเป็นต้องบีบขั้นตัวเองขนาดนั้นรอให้ระบบเข้าที่เข้าทางก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับน้าหนี้รู้เยอะจริงๆเลยซุนยองเฉียงยิ้มเหมือนเด็กโตไม่มีเ้าลางของนักเลงหัวไม้เหมือนเมื่อก่อนเลยสักนิดมานอิมถ้าตอนเย็นไม่มีอะไรผมจะมาอีกนะไม่ต้องรอกชังเหอคุณไปยุ่งเรื่องของคุณเถอะ พอได้ยินสู่ม่านอินเลิกเรียกเขาว่าผู้อเมริการก็อย่างหังเหินฟันขาว ข, า ว, ขาวของเกาฉางเหอก็ยิ่งดูเปล่งประกายมากขึ้นไปอีกซุนจิวหลิงและจางชุยฮวาก็ทยอยมาถึงร้านเมื่อเห็นร้านถูกจัดระเบียบอย่างเรียบร้อยก็พากันเอ่ยชมซุนหย่งเฉียงว่าขยันขันแข็งม่านอินเมื่อวานฉันทําเต้าหอยไว้หน่อยเช้านี้ยังไม่มีงานอะไรฉันกะว่าจะไปตั้งแผงที่หน้าโรงงานทอผ้าสักพักหนะจางชุยฮวยยังคงคิดอยากจะหาเงินเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยซึ่งสู่ม่านอินก็แสดงความเข้าใจ ช่วยฮวาดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าทำให้เสียวเศ้าเจียต้องเป็นห่วงละ่ะซูมานอินตักเตือนด้วยความหวังดีจากนั้นก็เรียกชื่อซุนย่งเฉียงให้ช่วยลากแผงลอยไปที่หน้าโรงงานทอผ้ากลับมาให้ทันก่อนเที่ยงก็พอครับนาแม่แน่ใจนะว่าชังเหอมีแฟนแล้วจริงๆก็อยาได้รับโทรศัพท์จากแม่แต่เชาตรู บ, บอกว่าน้องชายที่ทาตัวเคร่งครัดยิ่งกว่านักพรตของนางดันราแผนหางเป็นนกยูงเสียแล้ว นางตกใจมากจนต้องรีบขอแางงานปั่นจักรยานมาสมทบกับแม่ทันทีแถมยิ่งเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวด้วยเหรอเสี่ยวหวังบอกกับปากฉันเองเลยนะจะปลอมได้ยังไงสุนอวีมิงนั่งซ้อนท้ายจักรยานพางหลีตามอบไปรอบๆไม่นานนักนางก็เห็นป้ายหน้าร้านสีชมพูสดใสม่านเยเวเหมยเสี่ยวจู่กวันใช่แล้วที่นี่แหละก็อย่าจอดรถให้เรียบร้อยแล้วพยุงแม่ลงจากรถแม่ครับแม่กับว่าจะมาสืบสวนหรือว่าจะเข้าไปสอบถามเลยละ่ะ ก็ต้องแฝงตัวสิสุนอวิมินจัดแจงเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เป้าหมายไหวตัวทันแกถอยไปก่อนฉันจะลุยเดี่ยวเองอย่าเลยแม่อย่างน้อยแม่ก็เคยเห็นหน้าเขาในโทรทัศน์มาบ้างแต่หนูยังไม่เคยเห็นเลยนะเก้าอยากคล้องแขนสุนอวิมินหนูจะช่วยเป็นฉากบังหน้าให้แม่เองดีจะตายซุนอวิมินเบ้ปากพลางพูดอย่างเสียไม่ได้แกต้องระวังอย่าให้ความแตกนั่นแล้วก็นิสัยเสียงดังของแกนะ่ะต้องพลาเพลาลงด้วยวางใจเถอะแม่ ก้าอย่ามองดูหน้าร้านที่สีสันสดใสพลางคิดในใจว่าคนที่กล้าบุกเบิกเปิดร้านอาหารเองได้จะเป็นกระต่ายขาวตัวน้อยๆได้ยังไงกันสองแม่ลูกเดินคล้องแขนกันเข้าไปในร้านอาหารทันทีที่ก้าวเท้าเข้าไปก็ได้ยินเสียงประสานกันว่ายินดีต้อนรับค่ะซุนอวิมิ่นไม่ชินจึงสะดุ้งโยงอุ๊ยคุณป้าค่อยๆเดินค่ะพื้นร้านเราลื่นต้องระวังหน่อยนะคะ ชินเสี่ยว เ, ย, เวย่รีบเข้ามาต้อนรับด้วยความกระตือรือร้นเกอย่ารอบสำรวจชินเสี่ยวย่าที่ยังสาวและสวยแถมรูปร่างยังเพรียวบางจึงรีบประสิทธิถามแม่ทันทีแม่ใช่คนนี้ไหมจึ้ไม่ใช่ซุนอวิหมิ่งรู้ดีว่าลูกสาวคนนี้ดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคือขี่สงสัยเกินไปถ้าไม่ใช่เพราะนางอายุมากแล้วเดินเหินไม่สะดวกนางคงไม่ยอมให้ลูกสาวขี่จักรยานมาส่งหรอก คุณป้าคะคุณที่คันนี่คือเมนูของเราข้าลองดูก่อนนะข้าอยากทานอะไรเรียกหนูได้ตลอดเลยคะ่ะเจ้าหนูก็อย่ามองตามฉินเสี่ยวเยเว่ที่เดินจากไปแล้วกระซิบกับแม่ว่าแม่หนูว่าแม่หนูคนนี้ก็ไม่เลวนะดูท่าทางอ่อนโยนดีซุนอวิมิ่นก็รู้สึกว่าฉิงเสี่ยวเย่าดูดีไม่น้อยแต่เมื่อซูมานอินเดินออกมาจากห้องครัวสายตาของนางก็อดไม่ได้ที่จะเคลื่อนย้ายไปจับจ้องทันทีใช่คนนี้ไหมก็อย่าเห็นแม่พยักหน้าก็เริ่มพิจารณาซูมาร์อินใหม่อีกครั้ง หน้าตาสวย ด, ดูผู้